ชานี้นอกจากมีรถตะกรมมีจานโนดที่น่าสนใจอีกรูปนึ่งนะจานออร์ดจานออร์ดนี่ภาษาน้อยแต่ว่าผ่านประสบการณ์มาโชจโชนพอสมควรถึงการศึกก็คือตั้งใจปฏิบัติตรงนี้น่าสนใจแล้วก็ อารมณ์กรรมฐานอารมณ์ปฏิบัติก็<น>ถือว่าในวัดนี้บันที่ยอมรับกันคนหนึ่งใ น, นหมู่พระด้วยกันเดี๋ยวชาแนลองดนะูผู้ใหม่ที่มาปฏิบัติธรรมหรือว่าเก็บอารม <c oughs> ของพระบทใหม่ถ้รนะัดลาตีนานมีประสบการณ์การปฏิบัติด <c oughs> ูว่าท่านจะเทอะไรให้เรา เป็นธรรมะที่พอจะน้อมนำมาปฏิบัติในวันนี้หรือว่าในขณะนี้ก็ตามขันกราบอราจนาอาจารย์ออสเทตธรรมสมควรแก่ทมแก่เวลาต่อไปกับผมขอนอบน้อมพระพุทธประธรรมพระสงฆ์ขอกราบ มรการหลวงปู่กลมพระอาจารย์ทรงศิลปพระอาจารย์โนตแล้วก็ขาวอากาศ <c oughs> หมูส่งทุ ก, กรูปเจริญในธรรมแม่ชีแล้วก็ญาติโยมทุกคนจึงช่วงนี้ <c oughs> ผมอยู่ผมองมายอยู่ในช่วงเก็บอารมณ์เนาะก็ก็ถ้าจะพูดก็คงพูดนิดนิดหน่อย มันหลายวันแล้วที่เราไม่ค่อยได้พูดเมื่อเราเก็บอารมณ์แล้วเนี่ยบางทีอารมณ์อยากจะพูดมันก็มันเหมือนมันไม่ค่อยมีอ่ะแต่ว่าเราก็จะเห็นอารมณ์ที่อยู่ที่เกิดจากกายจากใจเราเนี่ยมันเยอะนะการพูดมันไปบงังไปผิดบงังอารมณ์บางอย่างแต่ว่าถ้าเราไม่พูดเรานิ่งเงียบเนี่ยเราก็จะรู้ชัด สิ่งที่เกิดขึ้นในกายในใจของเรานะมันรู้ชัดจริงๆแต่ว่าจะรู้ชัดอะไรนั้นเนี่ยมันก็แล้วแต่เหตุปัจจัยเนาะอย่างช่วงเนี้ยผมหรือว่าอาตมาเก็บอารมณ์อยู่จริงๆก็ข้างข้างกุดกุดแปดบนภูเขาแต่ว่าไปไปกางเต็นท์ไว้ใต้ต้นไม้เอ่อถ้าโดยสภาพแวดล้อมหรือว่าเหตุปัจจัย คือมันขึ้นแล้วแต่เหตุปัจจัยอ่ะนะบางครั้งอารมณ์โดยเฉพาะอารมณ์ทางจิตเนี่ยถ้าเหตุปัจจัยมันมันเป็นอย่างนี้เช่นเป็นปกตินะมีมีสายลมแสงแดดปกติมันก็ก็เป็นอารมณ์อีกแบบหนึง่งแต่เมื่อเมื่อคือนคืนก่อนคืนวานฝนตกหนักเนาะมีทั้งฟ้าร้องทั้งลมแรงแล้วบนภูเขาเนี่ยคล้ายๆว่ามันสะเทือนไปทั้งภูเขาสะเทือนอะไรก็คือกิ่งไม้มันหัก กิ่งไม้หักเยอะมากช่วงมันก็เป็นช่วงหลังจากฝนตกอะ่ะแล้วก็ฝนหยุดแล้วพักหนึ่งมันก็ค่อยๆแบบเหมือนกับมาจากทิศ ท, ทางโน้นเพีย้ยเพียเพ้ยเยโพ อ, อะไรเนี่ยคือคือค่อนข้างเยอะทั้งอยู่ไกลตัวทั้งอยู่ใกล้ตัวตรงนี้ทําให้เกิดอารมณ์ทางใจที่เขาเรียกว่าเห็นได้ชัดมากเนาะเห็นได้ชัด <c oughs> ทีนี้เมื่อเห็นแล้วทําอย่างไร ก็เพียงแค่รู้อาการที่เกิดขึ้นในจิตของเราเนาะเช่นรู้สึกถึงความความกลัวรู้สึกถึงจิตที่มันปรุงแต่งนะเห็นภาพขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยมันจะหักลงมาทับเรานะทับทิ่มหูทิ่มตาอย่างนั้นอย่างนี้เลือดไหลอะไรเนี่ยเห็นถึงอาการต่างๆที่เกิดขึ้นเห็นถึงความความเสียวความกลัวเนาะ เพราะนั้นเป็นก็เป็นโอกาสดีที่เราได้ได้เห็นสภาวะต่างๆที่ที่มันมันเกิดขึ้นซึ่งสภาวะเหล่านี้มันเป็นอาการที่ที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแต่มันเป็นตามเหตุตามปัจจัยเนาะเมื่อเหตุมีเหตุอย่างนั้นมันก็ต้องมีผลอย่างนี้อย่างอย่างสังเกตเหตุภายนอกเนี่ยถ้าเราจะเทียบกันเหตุภายนอกเนี่ยพอกิ่งไม้มันมันหักเนี่ยพอมันหล่นลงกระแทก ด้วยใบไม้เองหรือว่ากระแทกพื้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าสิ่งที่เรารับรู้ได้ก็คือว่าหยดน้ำต่างๆที่มันอยู่บนต้นไม้ต้นอื่นๆเนี่ยมันจะไหลร่วงพรูมาหมดเลยนั่นหมายถึงว่าเมื่อเกิดเสียงนะความคลื่นของเสียงเนี่ยกระทบกับใบไม้กิ่งไม้เนี่น้ำที่เกาะอยู่บนใบไม้เนี่ยมันร่วงได้นั่นคือความสะเทือน ของสิ่งหนึ่งไปกระทบกับสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งย่อมเกิดการวันไหวเกิดขึ้นเนาะเราก็มองมาภายในของเราบ้างจิตซึ่งโดยสภาวะของมันคือมันเหมือนกับว่ามันนิ่งเงียบอยู่นะมันไม่ได้รับรู้อะไรแต่พอมีเหตุปัจจัยเกิดเสียงกระทบหูขึ้นมามันก็ลงมาที่ใจใจก็เกิดการวันไหวเกิดขึ้นลึบเลยก็ภายนอกเป็นฉันใดภายในก็เป็นฉันนั้น ภายนอกเราห้ามไม่ได้ภายในเราก็ห้ามไม่ได้แต่สิ่งที่ทําได้คือเป็นเพียงผู้รู้ผู้ดูรับรู้แล้วมันก็ผ่านไปนะรับรู้แล้วก็ผ่านไปไม่มีอะไรที่รับรู้แล้วไม่ผ่านไม่มีอะไรรับรู้แล้วมันก่อยึดไม่มีอะไรคือทุกอย่างมันมันหลุดไปหมดเลยรับรู้แล้วก็หลุดไปรับรู้แล้วก็หลุดไปเนาะก็เห็นความที่มันคล้ายๆว่าจะเลือกความสลัดคืนก็ได้ ก็แล้วแต่ภาษาจะเรียกแต่ว่าถ้าถ้าโดยที่เราเข้าใจเนี่ยคล้ายๆว่ามันแค่แตะนิดหนึ่งแล้วก็หลุดไปแตะนิดหนึ่งแล้วก็หลุดไปนะสิ่งที่เรามาเล่าเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราจําได้แล้วมาเล่าขึ้นมามันก็ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อล่วงมาแล้วถามว่าตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้ไม่มีสิ่งนั้นตอนนี้มีอะไรตอนนี้ก็มีแค่ปัจจุบันตอนนี้แต่ปัจจุบันตอนนี้มันก็ไม่ได้เป็นปัจจุบันอีก คือถ้าเป็นพูดไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับจะพูดไม่ได้เลยเพราะว่าจะพูดเป็นว่าปัจจุบันพอพูดไปมันก็ไม่ใช่ปัจจุบันมันล่วงไปแล้วอีกก็กลายว่ามีแต่สิ่งดับสิ่งดับมีแต่ดับดับอย่างรวดเร็วไม่มีอะไรที่เอามาพูดได้เลยนะเพราะฉะนั้นโดยโดยสภาวะที่ที่เห็นในช่วงที่ปฏิบัติเก็บอารมณอย่างเงี้ยมันก็ชัดเจนเพราะฉะนั้นอยากแกวิงวอนของญาติโยมหรือว่าพระทุกรูปทุกนาม นะขอโอกาสก็หมายถึงว่าช่วงเก็บอารมณ์เนี่ยถ้าเราไม่พูดไม่คุยได้ก็จะเป็นโอกาสทองทีเดียวเราจะรู้เห็นอย่างแจ้งชัดสิ่งที่เกิดขึ้นในกายในใจของเรารู้แล้วก็รู้แล้วก็เห็นว่ามันเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรติดขังขายใจวันนี้ก็คงขอโอกาสพูดไว้แค่นี้ครับอาจารย์ มันก็เป็นสภาวะของขนาดนี้ขณะนี้รู้แล้วก็ผ่านรู้แล้วก็ผ่านปัจจุบันก็จึงไม่ได้ยึดหรอกอดเดือนาคุไม่ต้องพูดถึงจะว่าไม่ยึดก็ถูกหยิบมาใช้ความทรงจําต่างๆอ น, นันต์ลมตะวันเกิดหน้าที่ขึ้นมาปฏิบัติธรรมหน้าที่มันก็เป็นธรรมชาติไม่ได้เป็นกา ร, รมอะไรเป็นแค่อาการกิริยาต่างๆอันนี้เป็นความหมายที่ลึก คืออยู่ไปวันๆทั้งทาทั้งวันแบบไม่ได้ทําอะไรมันมีอยู่นะม้นปฏิบัติกรรมก็มปฏิบัติธรรมเนีมันอยู่ตรงนี้แหละตรงที่ความรู้สึกนะถ้าเราใช้ความรู้สึกเป็นนะสิ่งที่มันมีอยู่นะไม่จะไม่มีนะความรู้สึกสตินะีมีอยู่แต่ว่าลักษณะที่มันมีปัญญานะประสบการณ์ต่างๆใช้แล้วนะดีใช้แล้วไม่ดี ใจแล้วเป็นประโยชน์ใจแล้วเป็นโทษ่ <Yeah. S 1> มันก็จะมีก็มันเป็นธรรมชาติธรรมดาในตัวเราทุกคนนะแต่ว่าการที่ไม่เห็น mm hmm. ปฏิยาการเรล่านี้มันเป็นความละเอียด <Yeah. S 1> ปกติเราเห็นออกไปนอกตัว <Yeah. S 1> แต่ตอนนี้เราเห็นกลับมาเจ <Yeah. S 1> ้าทั้งมันเห็นทั้งในตัวและกันนอกตัว ่อก่อนอกตัวก็หลงไปนอกตัวพอมาปฏิบัติ <_ an> เห็นในตัวก็หลงก็ไปในตัวจะมาเห็นทั้งในและทั้งนอก <_ an> เห็นนอกเ <_ an> ห็นในของบุเทียนบอกเหมือนอยู่ปากถ้าอยู่ปากถ้ำมองมาในถ้ำก็ไม่ได้อยู่ในถ้ำมองไปนอกถ้ำกลางไม่ได้ออกไปอยู่นอกถ้าอยู่กลางกลางจะแปว่าตรงนี้นเป็นสภาวะของสมบรรทุนซึ่งมันไม่ใช่คำอธิบายหรอก แต่ว่าเมื่อเราฝึกหัดปฏิบัติธรรมมาฝึกมาหัดกันได้ว่ราะจงคอสเกลลมเข้มเราได้เห็นข้างนอกเรายามที่ไม่ใส่ใจหรือว่าส่งจิตออกไปแต่ว่ามันก็จะมีเข้ามาตามกฎของธรรมชาติตามเหตุตามปัจจัยที่มันมีอยู่ฝนตกอย่างเงี้ยนะมันก็มีเหตุทําไมฝนต้องตกโยงโยงโยงโยงยงยงหมมีเหตุมากมาย ต้นไม้ทำไมต้องล้มมันก็มีเหตุอีกมากมายทั้งตะวันมาพันทั้งน้ําฝนมีน้ําหนักทั้งบางทีต้นมันก็บริแลนปู่ก็กินหลายเรื่องหลายเหตุหลายปัจจัยจะไปได้จังหวะมันก็ล้มให้เราได้ดูที่เรียกว่าการเกิดดับการสลัดคืนทั้งภายนอกทั้งภายในเรื่องของกายโยนให้เรื่อ ง, องกายเจ็บปวดเมื่อยต่างๆหิวกรหายหนาวร้อน สลัดใหมันไม่ต้องเอาจิตมาเป็นผู้ที่รับรู้แล้วก็ทุกไปกับกายอะไรว่ายุติธรรมยุติด้วยธรรมไม่ต้องเชื่อมต่อเป็นเป็นฉนวนฉนวนเนี่ยมันจะทําให้เกิดอีกหลายอย่างฉนวนก็คือเป็นเรื่องของตัดจริงๆไม่เชื่อมต่อทุกกายเป็นทุกของกายทุกจิตทุกใจเป็นทุกของจิตใจมีปัญญา ปัญหาที่เกี่ยวข้องเขายังถูกต้องอย่างเช่นว่าเบื้องเรื่องราวบางบางเรื่องเนี่ยมันมันไปแก้ไขไม่ได้เพราะว่าเหตุปัจจัยต่างๆนะ่ยฝนทำไมต้องตกงเราจะไปแก้ไขไม่ได้อย่าตกต้นไม้อย่าล้มแก้ไขไม่ได้แต่ว่าเราสามารถพาตัวเองให้หาที่ปลอดภัยได้ หลวงพ่อเขีนท่าพูดถึงว่าการอยู่สุกตัตเนี่ยท่านตายด้วยสองเรื่องทํานายตัวเองเอไว้เรื่องที่หนึ่งตายเพราะว่าต้นไม้ล้มทับเรื่องที่สองคือตายเพราะโดนงูกัดงูชุมสังเกตุดูว่าฝนตกอย่างเงี้ยตามเตีนจะมีงูเล็กๆอยู่งูทําทานได้เจอบ้างไหมทางลานหินโค้งนี่เยอะเคยอยู่เวลาลานหินโคงน้งเมื่อก่อน ที่สาาหอไตรเนะี่ยมันมีเสาอยู่แล้วเสามันโผลกงงมกันเลยเข้าแล้วก็เลื้อยออกหลวงพ่อเห็นข้าวบอกวอมันไม่ปลอดภัยหลวงพ่อเกี่ยวข้องกับมันเอาปูนมาเทกรอกใส่หรือว่าเอาดินมาถมจะให้ไม่เห็นเป็นรูเอายาอัดลงไป ให้เป็นพื้นที่อันตรายแล้สัตว์อยู่ไม่ได้ปู่ก็ขึ้นไม่ได้งูก็อยู่ไม่ได้ก็คือเกี่ยวข้องอะไรที่เป็นอันตรายที่เป็นโทษก็มีปัญญาเข้าไปเกี่ยวข้องแบบนั้นเป็นปัยกุศลตายความไม่เสื่อมนเถินที่จะตายตามอายุไขอย่างเงี้ยถ้าโดนงู ก, กัดก็ตายก่อนอายุไขมันก็มองเห็นแบบนั้น ตอนไม้ล้มใสแล้วจะตายก่อนอายุไขมันควรตายตอนอายุเจ็ดแ0ด0ิบเาร้อยปีทำนาย้ายอายุไขมันมีอยู่แล้วก็กรรมไม่ตัดรอนนะโดยว่ากรรมที่เป็นฝ่ายอากุศลกว่าไม่ฉลาดบาปมืดโ ง, ง, ง่งงมันก็เกี่ยวข้องได้ บางทีคนอื่นก็ดูแลเราบางทีเราก็ดูแลเรานคนอื่นดูแลเราก็คือผู้รู้ใขค้ควรแล้วเกี่ยวข้องกับเราด้วยศีลได้หรือไม่ด้วยสติด้วยปัญญาเราก็เลยได้ทั้งสิ่งแวดล้อมช่วยเหลือเราหรือว่าเรื่องของการฝึกสติมันเป็นสิ่งแวดล้อม เมื่ป่าสุกโตตอนนี้เก็บลมเข้มกับมาฐานสี่สิวันสร้างสิ่งแวดล้อมกําหนดสมมติบัญญัติขึ้นมาแล้วก็ฝนที่มันตกตามฤดูกาลหรือว่าไม่ตามฤดูกาลอย่างเช่นสังเกตได้ว่านะปกติฝนฟ้าขนองลักษณะนี้ตอนช่วงเดือนนี้จะไม่มีนะที่สุขโตแต่เป็นลนักษณะของฝนฟ้าขนองลักษณะอย่างนี้ฟนะ้าผ่าฟ้าแลบฟ้าร้องนะจะมีช่วง ท้ายๆของรรษาช่วงจะหมดฝนแล้วไปฝนต้นหนาวเงี้ยเรียกว่าฝนผ่าหัวประหมอหักคอนอไม้ปีนี้มันไม่มีอยู่ๆฝนเงีบยบไปเฉยๆไม่มีเสียงฟ้าร้องโบราณก็ว่ามันเรียกลูมกลับไป เวลาจะหมดฝนเนี่ยเข้าหน้าหนาวมันก็จะเรีย ก, กันสั่งเสียกันร้องฟ้าและฟ้าร้องเพิ่งมาโป ร, โปร่ตอนนี้ละวันสองวันที่ผ่านมานะพากุฏิอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นเรื่องที่ได้ฝึกตนเอาเหตุการณ์ที่มันเป็นเหตุปัจจัยจากภายนอกนอกก้องเข้ามาภายใน ผมก็จ ม, มาเกยเดินฝนตกฟ้าร้องพระกระนองแล้วก็ทำวัดตอนนั้นไม่ทำวัดที่สลานี้สลานี้ยังไม่มีสลาหอไตรอยู่ที่สลาไก่ทําวัดเสร็จตอนเย็นอารมณ์มันก็ดีนะทําวัดเสร็จฟังเทศฟังธรรมก็เดินพักอยู่ที่กุฏิสิบห้าอาโศการะหว่างเดินกันไปน้ำฝนก็ รวมตัวกันไหลมาเป็นทางตามทางเดินจะประมาณครึ่งครึ่งแขล้งทางเดินก็เดินจะเป็นร่องมันก็เดินลุยน้ําไปเลยทันใดนั้นเองมันนึกถึงงูว่าจะมาตามน้ําสัตว์มีพิจมาตามน้ํามันมีเถาวันกิ่งไม้มันมาแตะที่ขายมันสะดุ้งยงเลยขณะที่มันโปรงเนี่ย มันสะดุ้งโอ้เราได้เห็นแล้วนี่นี่ี่อาการที่มันปรุงเป็นอย่างนี้มันหลงมันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็สะดุ้งเลยก่อนถึงกุฏีมันก็มีฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาคนลุกสู้โอ้โหมันแบบทั้งตัวเลยมันเห็นเลยเดินปกติอยู่ดีทำไมมันเกิดอะไรขึ้นเนยโอ้มันเป็นรับที่หูเองมันเห็นแล้วอาการที่เปรี้ยงกระแทกมามันไปรับ คนลูกสู้พอรทันาหายแว บ, บไปเลยมันกลายเป็นเรื่องของความโชคดีหนะรือว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เขาพยายามสอนเราอยู่ตลอดเวลาเนละนะอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาจากการที่เราเผลอหลงเข้าไปนะตอนหลังมาสังเกตว่าพอจิตมันตั้งมั่นจริงๆนะแรงกระแทกเหล่านั้นมันไม่ได้มีความหมายอะไรนะอย่างเร็วๆนี่ยฝนตกแล้วก็ฟ้าผ่าเปลี่ยนกุฏิ้า แรงมากนะแสงนี่สว่างวับจิบมเฉยเฉยสังเกตได้จิบมันเฉย เ, เฉยมันมีเสียงดังกรบันาดเลยแต่ว่าจิบมันเฉยเฉยโอ้มันก็มีแบบนี้องนีกนะ็เลยแนละ้วการหายตัวก็มีนะธรรมชาติก็มีอยู่ตามกฎของธรรมชาตินะแต่ว่าสติปัญญาหรือว่าการปล่อยการวางอะไรนะั้นี้ มันก็แสดงตัวมันเองกันมาถึงคุณภาพะนะคุณภาพที่เรายาามจะสอดส่องทรรมเห็นทรรมอยู่ตลอดเวลาเนื่องต่อเนื่องเชื่อมโยงกันมันก็เลยไม่ประมาทนั่นแหลนะ ท, ทุกขนาดเรารู้สึกตัวอยู่ไม่ปล่อยตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรามันเป็นตะวันที่ชวนให้เราทุกเมื่อพุ่งปลูดออกไปผลพลอยได้ติดปลายนวามาคือสภ า, วาความทุกข์ เชื่อมีความเชื่อว่าสุขไม่มีนะตามที่เคยได้ยินได้ฟังนะจากผู้รู้หรือว่าภิกษุณีตนหนึ่งนะที่เคยพูดว่าเออมีแต่ทุกข์ที่เกิดขึ้นนะตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะมีแต่ทุกข์เท่านั้นนะนอกนั้นไม่มีอะไรนะเกิดดับเกิดดับอยู่ทุกวันนีมีแต่ทุกข์ท่านั้นนะสสาร์สาร ส, ส, สิ่งต่างๆการเปลี่ยนแปลงไป อยู่ในกฎของพระไตรลักษณ์เกิดดบับความรู้สึกตัวไม่ใช่แค่ความรู้สึกตัวอย่างเดียวนะแต่ว่าท้ายสุดก็คือมันเป็นอะไรหลายอย่างที่ไม่ให้เราต้องไปติดกับดักของธรรมชาติต่างๆทําให้เกิดกรรมขึ้นมาเป็นความดีเป็นความช่วยเป็นความสุขเป็นความทุกข์มันก็เลยกลายเป็นว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละธรรมชาติเรื่องของเขาเรื่องของภายนอก เหตุป <rane S 2> hm ัจจัยภายนอกเพราะนั eters, ้นเหนือเหตุเหนือปัจจัยมันก็มีอยู่เหมือนกันเหนือเหตุนืปัจจัยที่เหตุปัจจัยจะปรุงแต่งจิตใจของเราไม่ได้มีอยู่ปรุงปับสะดุ้งปรุงปับหวาดกระวานปรุงปับเกิดความกลัวขึ้นมาเนื่องจากความรู้สึกตัวความเป็นปกติอันนี้เราเลือกได้เลือกที่จะประพฤติวัดปฏิบัติธรรมนะ การเคลื่อนการไหวยะต้องความเป็นปกติมันเด่นมาจริงๆตรงนั้นมันมีพลังพอสมควรมันเป็นลรื่องของกรอบนะกรอบที่เป็นเรื่องของโลกุตะละนะกรอบของสติสมัญญานะที่มันเต็มรอบแล้วมันรู้ได้ไวนะมันรู้ตัวเนี่ยชัดเป็นเป็นลนักษณะของหลักหรือว่าใช้คําว่าสแตนบายก็นนะส่วนภายนอกนี่พลังจะลดลงไปทันทีเลย เลยเข้าใจหลวงผ่้เทียนว่ามันมีภาษาพูดอยู่ประโยคนึงแต่ว่าในในการวินิจฉัยลตีความของบุคคลอื่นๆก็บอกว่ามันคืออารมณ์สัมทะก็คือการที่เรารู้คำว่ารู้ในตวนัวอ่อนนะร่างกายหรือว่ากา ร, การกาเคลื่อนไหวเป็นหลักเอาไว้นะเวลาเราคุยเวลาเราทำอะไรก็ตามเนยเราสัมผัสกระทบเอาไว้เรียกว่าสแตนบายอ่ะนะ เป็นหลักเอาไว้เหมือนนักมวยเต้นฟุตเวิร์กกันไว้ตลอดเว ล, เวลาเรียกว่าเก็บอาการจะไม่แสดงอาการที่เหมือนกับว่าหมดเรี้ยวหมดแรงออกมามันถูกชกทันทีนักมวยที่ดีต้องฟนะุตเวิร์กออกลูกล่อลูกชนจนคู่ต่อสู้หลงทางคู่ต่อสู้มีกำลังแต่ว่าเราเก็บอาการตลอดบัดยบบัดอะไรก็ตามรู้จักหลบยึรู้จักเ ล, ลีกเตรียมกันแสดงว่าอาการของเราไม่ตก ตัวนี้สำคัญเผลอๆมันมันเหมือนกับว่ามันแพ้แพ้ทางเราโดยที่เราไม่ได้ชกหรอกใจมันถอดไปก่อนอันนี้คําเปรียบเทียบเหมือนกับเป็นอย่างนั้นก็คือเราสแตนบายไว้ก่อนรู้สึกตัวเล็กๆก็ไว้กโกดเราก็าด่าเรานะเขามองเราเหมือนกับไม่ใช่มิตรอะไรเงี้ยนะเป็นศัตรูคู่วฆ่ า, าพยาบาทเลยก็ตามเราเดินใส่แบบใส่มีความรู้สึกตัวนะมองหน้ามองตาเขา ตาเปิดมองแต่ว่าใจไม่ได้มองนะใจเรามองกลับมากลับมาหาความรู้สึกตัวเนะปรากฏแล้ว ก, ก็นึกว่าเรามีดีอะไรเป่าแล้วไม่ได้มีดีอะไรเป็ยงนัน้เรารู้สึกตัวอยู่เพอเพอเขาพูดจนเบื่อก็เบื่อเองก็เลิกพูดไปเองอะไรมันใช้ได้นมันเหมือนกับว่าความรู้สึกตัวที่เราพยายามสแตนบายมันช่วยเราอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลานะคว่ามเป็นอารมณ์สมถะ มากรมองสมถะก็สมถะไปเป็นไรอารมณ์เนี่ยทีมขั้นสุดก็คือมันช่วยเราเปาะแรกก่อนเหมือนกับคนเนะี่ยจะมีเงินขนาดไหนก็ตามอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันเงินที่มีเราพยายามที่จะทํางานให้เต็มที่ก่อนงานการของเราเรามีความสุขการทํางานนี้ได้ได้ต่อหนึ่งแล้วนะอีกต่อนึงก็คือขณะที่ทํางานเนะยนอกจากได้ผลของงานแล้วผลของงานยังทําประโยชน์อย่างอื่นได้ ถ้าเป็นการค้าขายก็คือมีคนมาซื้อแน่นอนอะนะจุจแล้วได้เงินได้ทองทุกวันทุกวันพอได้มาแล้วก็เอาฝากไว้ซะได้มาแล้วก็ฝากไว้ซะอาแดนจะเป็นลักษองหนาของมหาเศรษฐีแน่นอนมหาสติก็เป็นอย่างนี้แหละนะหลังจากที่เราไม่ประมาทระยะมารู้สึกตัวอยู่ตลดอดเวลาก็เท่ากับเราเหมือนกับว่าเวลามีอารมณ์มากระทบขนาดนั้นนะไม่ว่าเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าไม่สะดุ้งไม่หวั่นภาวะจริงจงมันมีอยู่นะตรงนี้ ที่พูดอย่างนี้ก็คือสังเกตได้ในตรงเนี้เหมือนกับว่าความปลอดภัยที่จิตของเราเนี่ยมันจะไม่หลุดไม่เป็นเรื่องของอาการเผลอหลงเข้าไปในลมแล้วก็ปรุงแต่งเราเห็นได้ชัดเจนมากเลยแต่มีแต่ว่าการที่มันเผลอหลงไปแล้วก็เห็นอาการอย่างเช่นเวลาเดินเดินแล้วก็ เหมือนกับมีกิ่งไม้มาแตะแล้วจิตเราปรุงว่าเป็นงูแล้วว่าเดินจะถึงกุฏิแล้วก็ฟ้ามันผ่าเปี้ยงลงมาอย่างนี้เราขนลุกสู้นนี้ก็ทําให้เราเห็นเห็นว่าอ๋อสมมติฐานของการปรุงการแต่งหรือว่าเวลาเขาปรุงแต่งจนกระทั่งเกิดความกลัวอย่างนี้ตรงนั้นมันอยู่ตรงไหนมันจะมองย้อนกลับมาเลยเห็นที่อยู่ของมันนะเห็นสมมุติบรรัญญัติเห็นบรรัญญัติทําให้เกิดการกลัวแล้วก็มีปฏิยาของจิต มาสู่ของกา ย, ยานะจิตของเรามันเกิดขึ้นมากลัวขนปฏิยาข้างเคียงสัญญาณชีพของกายก็เปลี่ยนไปตามอเงี้ยอันนี้นจะกลายเป็นเรื่องของร่องรอยเราจะเห็นช่องทางเราเห็นร่องอยชัดเจนว่ารอยของความหลงมันเป็นอย่างนี้มันเดินแบบนี้รอยของความรู้มันปรากฏอย่างนี้มันอยู่ตรงนี้นนนความเป็นปกติจิตเป็นอย่างนี้เงี้ย ก็จะเป็นการศึกษา ธ, ธรรมชาติทั้งภ า, ายในและภ า, นายนอกภ า, ายนอกและภ า, ายในนะจนกทังมันได้คําตอบก็คือความเป็นปติที่ชัดเจนความรู้สึกตัวทิมช่วยเราอยู่ตลอดเวลาเป็นธรรมที่ทําให้เกินเกเิดความไม่ประมาที่ชัดเจนนี่นะนะก็ถือว่าน้าอนุโมทนาที่ท่านจาันออสได้พูดทําให้เราได้ฟังจนกระทั่งเหมือนกับว่ามันเป็นสภาวะที่เราก็ได้รู้เหมือนกันทุกคนนั่นแหละถ้าเราได้กลับมา รู้จักตัวเองกันก็จะเห็นธรรมชาติทั้งภายในภายนอกนมันเหมือนกันทุกคนนะก็เห็นว่าสมควกับเวลาอะละกพาพร้อมกัน